อย่างที่สามภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาเรียกว่าตั้งจิตไว้ด้วยอานาจของเมตตาเนี่ยนะในเพื่อนสะพพรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้ทำอันนี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันกระทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกัน เมตตามโนกรรมก็คือว่า น, นะก็มีเป็นความคิดที่ว่าเช่นถ้าพระพิสุตื่นมาก็ขอให้พระพิสุทั้งหลายที่อยู่ในวิหารทั้งหมดนี้จงเป็นผู้มีสุขไม่มีเวรไม่พยาบาทต่อการเทิดเนี่ยนะก็เจริญให้ครับว่าแผ่ขยายให้เจริญให้ตัวเองก่อนขอเราเป็นผู้มีสุขไม่มีเวรไม่พยาบาทตลอดอ่นนะไม่มีเวรไม่พยาบาทอยู่เทิด ขอให้พระพิสูจน์ทั้งหลายที่อยู่ในวิหารนี้ทั้งหมดจงเป็นผู้ไม่มีเวรนะอยู่เป็นสุขไม่พยาบาทาคือไม่เบียดเบียนการเทิร์นก็แผ่ขยายไปเรื่อยๆในระดับหมู่บ้านในตำบลในอำเภอก็ค่อยๆแผ่ขยายไปอันนี้ก็เป็นเมตตามนโนกรรมนนะเรียกว่าเมตตามนโนกรรมการเจริญเมตตาเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนั้นต้องเจริญทั้งต่อหน้าด้วยเจริญทั้งลับหลังด้วยนะ เพราะว่าอย่างสิ่งใดที่บุคคลทําให้เราเนี่ยนะถึงขณะนั้นเราไม่รู้ก็ตามแต่ตอนหลังเราก็รู้จนได้ท่านอย่างสมมติว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยทำไมเขาจึงนึกถึงพ่อแม่หลายๆอย่างที่พ่อแม่ทําให้เราเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้ตัวเลยแต่ตอนหลังก็สามารถระลึกถึงถามว่าทำไมเพราะว่าสิ่งใดที่เขาทําเพื่อประโยชน์แก่เราเนี่ยนะ เราก็จะระลึกถึงเพรา ะ, ะนั้นการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยนะด้วยกายเรียกว่าเมตตากายกรรมเพราะหวังประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเะนั้นการที่เรามีเมตตากายกรรมทําเพื่อประโยชน์บุคคนอื่นก็ไม่ใช่ทําแต่ต่อหน้าเพื่อประจบประแจงแต่ว่าทําทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยความสม่ำเสมอเนี่ยนะเรียกว่าเมตตาเนี่ยนะ เขาบอกว่าการเมตตาของภิกษุทั้งหลายผู้ใหม่ชื่อว่าเมตตากายกรรมต่อหน้าอย่างถ้าหากว่าพระภิกษุใหม่ที่ที่บวชเข้ามาในตอนแรกๆที่ว่ามีเมตตาก็คือการทำสามีจิกรรมการกราบการไหว้การล้างเท้าการพัดพระเถระทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะก็คือการเข้าไปอุปถา ก, การเข้าไปรับใช้เนี่ยอันนี้แหละเรียกว่ามีเมตตากายกรรมเนี่ยนะาคนที่รู้จักอุปถาเนี่ยนะ โดยมากก็จะเป็นที่เมตตาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอยากให้พระเถระเนี่ยสงเคราะห์ตนแต่ตนไม่เคยพระสงเคราะห์พระเถระเลยเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าไปถึงก็มองเห็นต้นไม้ไปถึงก็เด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเแล้วเก็บเอาลูกเอาผลอะไรไปกินเนี่ยมันก็ไม่มันก็มนุษย์มันไม่เหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะไม่เหมือนกับต้นไม้เพรมันถ้าเราหวังแต่ผลประโยชน์แล้วก็หวังแต่ความกอบโกยอย่างเดียวมันก็ไม่พอเนี่ยนะ ส่วนเมตาามตากายกรรมรับหลังก็คือไม่นิ่งดูดายในเครื่องไม้เป็นต้นที่สองที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก็บไว้ไม่ดีแล้วก็เอามาเก็บเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยทาไว้ไม่ดีเห็นงานที่คนอื่นเขาทำไว้ไม่ดีแล้วเราเองเนี่ยก็ก็ไปไปช่วยจัดแจงเหมือนงานของตนแต่ถ้าหากว่าเราลองคิดดูนะว่างานของคนอื่นที่เขาทำไว้ไม่ดีเราเห็นไปถึงปั๊บเราก็ด่าเลยเนี่ยนะ ไอ้เจ้าตัวเขารู้เนี่ยเขาจะว่ายังไงเอ่ย น, นะเราเราต้องการให้คนเขาทำกับเราอย่างไรรับหลังเนี่ยนะเราต้องการให้คนอื่นเขาดูหมิ่นเยียดยามดูแคลนเรารับหลังหรือไม่ฉันใดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเร า, เราลบหลู่เกียรติคนอื่นเขาหรือเปล่าเนี่ยนะเราจะให้เกียรติแต่คนอื่นไหมเรายกย่องคนอื่นรับหลังไหมถ้าพฤติกรรมพื้นฐานของเราไม่ยกย่องคนอื่นรับหลัง เราเองก็จะได้รับวิบากคล้ายๆกันเนี่ยนะแต่ตอนหลังตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแต่ต่อไปเราก็จะได้ยินว่าถ้าเราไม่ไม่มีเมตตากายกรรมต่อผู้อื่นรับหลังคนอื่นเขาก็ไม่มีเมตตากายกรรมกับเราเนี่ยนะส่วนเมตตาวจีกรรมรับหลังก็คือการพูดยกย่องนะคราะว่าเมตตาวจีกรรมต่อหน้าก็รู้จักยกย่องคนอื่น เช่นท่านพระเทวะเทระท่านพระติดสะเทระเนี่ยนะอันนี้การคําพูดยกย่องอท่านผู้เจริญทั้งหลายเนี่ยนะพูดด้วยความเคารพพูดด้วยให้เกียรติเนี่ยนะพูดด้วยเมตตาจิตพูดด้วยความหวังดีพูดด้วยความปรารถนาดีเรียกว่ามีเมตตาวจีกรรมต่อหน้าส่วนเมตตาวจีกรรมรับหลังถึงเขาไม่อยู่ณนะสถานที่ตรงนั้นก็กล่าวอ้างตนอย่างนี้ว่า อ, อ้างว่าเป็นของตนเช่นพระเทวะเทระของพวกเราเนี่ยไปไหน เวลาไหนหนอท่านพระติสเถระของพวกเราจะมาเนี่ยนะท่านจะมาเวลาไหนเนี่ยนะก็คือมีการพูดถึงการระลึกถึงการเหมือนกับว่าพูดแบบคนที่อยากพบเจอกันเนี่ยนะอีกฝ่ายหนึ่งพอรู้ว่าเออเขาาก็อยากเจอเรานะเราเองก็รู้สึกว่าเรามีความสุขไม่ใช่ว่าแมเขาเจอครั้งเดียวก็พอแล้วเนี่ยนะมันคำพูดแบบแมมไม่น่าเจอกันเลยแบบนั้นเป็นต้นคือเราก็ต้องมาคิดดูว่า คำใดที่เราพูดถึงคนอื่นคำนั้นเนี่ยนะคนอื่นเขาจะพูดถึงเราและอีกอย่างคำที่เราพูดถึงคนอื่นอย่าคิดว่าคนที่เราพูดถึงเขาไม่ได้ยินต่อให้หลุดมาจากปากเมื่อไหร่เดียวคนนั้นก็ได้ยินเพราะเสียงทั้งหลายมันสะท้อนนะมันสะท้อนจากปากหนึ่งสู่ปากสองจากปาก2สู่ปากสจากปากสสู่ปาก4ี่ถ้าเรายิ่งพูดตาหนิผู้อื่นด้วยเนี่ยนะปากต่อปากเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงเขาลว แล้วเราบอกว่าเราว่าคนอื่นเขาเนี่ยราว่ารับหลังนะเขาาไม่ได้ยินมั้งอยากคิดนะว่าเขาไม่ได้ยินเขาได้ยินแน่นอนฉันใดถ้าเราพูดด้วยพูดด้วยเมตตาถึงคนอื่นเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็รู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยมีเมตากับเขาเนี่ยนะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยสะท้อนอะไรออกไปงั้นถ้าเราสะท้อนสิ่งที่เป็นเมตตาออกไปคำพูดของเราที่ประกอบไปด้วยเมตตาออกไปเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มีเมตากับเรา คนเนี่ ย, ยนะบางทีหวังแต่ให้คนอื่นมีเมตากับตนพระพุทธเจ้าสอนให้ตนเนี่ยมีเมตตาไม่ได้สอนให้ผู้อื่นมามีเมตากับเราแต่สอนว่าเราเนี่ยมีเมตากับคนอื่นด้วยไหมเราอยู่ด้วยเมตากับคนอื่นไหมยอย่างในสูตรก่อนเนี่ยนะกะกะจูปะมะสูตรไม่สําคัญเราะว่าคนอื่นเขาพูดกับเราอย่างไร <S <S ขงเขาทํากับเราอย่างไรเป็นต้นสําคัญตรงที่ว่าเรามีเมตากับคนอื่นไหม เรามีเมตตากับเขาจริงๆไหมพื้นฐานจริงๆแล้เราอยู่ตรงนั้นอันเราก็ควรที่จะเจริญเมตตาวาจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังคนที่สร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวก็คือการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบลับหลังนั่นนะอันนี้เป็นการสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวถามว่าทำไมเรารู้หรือว่าเราตำหนิให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วเขาเป็นอะไรกับอีกคนนั้นบางทีเขาอาจจะเป็นญาติกันก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่รักกันที่สุดก็ได้ เนี่ยนะอย่างพันถ้าเราไปตำหนิให้อีกคนหนึ่งฟังอีกคนหนึ่งก็จะเอาคำเหล่านี้ไปพูดอีกคนหนึ่งฟังแล้วพวกหอกดาบเหล่านี้ก็จะมาตกใส่ตนเนี่ยนะพั้นอันนี้ต้องระวังให้ดีๆพันถ้าเราย้ำไม่อยากสร้างศัตรูไม่อยากจะมีเวนต้องการจะมะีใช้ชีวิตอย่างผาสุกก็คือการนะอย่าพูดถึงคนอื่นในแง่ร้า ย, ายแต่ตรงนี้ไม่ได้พูดว่าไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วไม่ได้พูดตรงนั้นความดีความชั่วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวไป นะแต่ว่าการพูดถึงคนอื่นด้วยความชั่วก็ไม่ใช่ว่าเป็นความดีของเราเพราะเราเองก็ต้องสังบอกคําที่เราพูดให้บ่อยๆว่าคําที่เราพูดบุญบาปก็อยู่ที่ปากเรานะนะส่วนเมตตามโนกรรมต่อหน้าคืออย่างไรคือการลืมตามองดูด้วยเรียกว่าดูด้วยความสนิทใจเนี่ยนะดูด้วยเมตตาดูด้วยใบหน้าที่ผ่องใสชื่อว่าเมตตามโนกรรม แปลว่าดูแบบคนอยากเห็นนะไม่ใช่ดูแบบคนอะไรนะแบบเอียงมองอ่ะนะคืออะไรชำเลืองมองคือแปลว่าแบบชำเลืองมองอไม่อยากมองเต็มตานะแต่อันนี้ก็คือการมองเต็มตามองด้วยความสนิทใจมองด้วยความเมตตามองเหมือนกับว่ามันเข้ากันได้เหมือนน้ากับน้ํานมนะมองกันไม่ใช่แบบมองแบบแม่มองโลกอ่ะนะไม่ใช่มองแบบแหมเหยียดยามตําหนิชิงชัง เอือมระหาไม่ใช่เนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วตาทั้งหลายมันก็บอกหมดแล้วว่าฝ่ายไหนเขามีเมตตากับฝ่ายไหนหรือใครมีเมตตาหรือไม่มีเมตตามันก็เป็นสัญชาตญาณกัของของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะว่าใครมองมองเราด้วยความหวังดีหรือว่า เ, เรามองใครด้วยความหวังดีเป็นต้นมันก็มองเห็นกันอยู่หรอกเนี่ยนะคือมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มันพอสื่อกันได้ทางความคิดเนี่ยนะถ้าเรามองด้วยสายตาพิฆาตออกไปล่ะนะ สายตาพี่คาดก็จะย้อนกลับมาเหมือนกันเนี่ยนะอันเมตตามนโนกรรมเนี่ยหมายาว่าการมองคนอื่นด้วยเมตตาเนี่ยนะนี้ต่อไปส่วนเมตตามนโนกรรมลับหลังเนี่ยนะคิดถึงใครก็คิดให้เขาอะไรจงไม่มีโรคมีอาพาธน้อยนะก็คือเนี่ยขอให สมมติถ้าเราคิดถึงใครรับหลังก็ขอให้เขามีสุขมีความกเกษมมีตนถึงความสุขพ้นจากเนี่ยโรคภยั ย, คอคอคภยอันตรายทั้งปวงเธอขอให้นึกถึงใครก็ขอให้เขาพ้นจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงเธอเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเมตตามีเมตามเมตารับหลังวันวันหนึ่งเราก็คิดถึงคนจํานวนไม่ใช่น้อยถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆละ่ะคิดถึงใครคิดถึงเพื่อนก็ขอให้เพื่อนมีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเลยนะ ก็ให้เพื่อนนี้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเธอเนี่ยนะนึกถึงพี่ก็ขอให้พี่ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงเธอนึกถึงใครและเจริญเมตตาแบบนี้เนี่ยนะไม่ได้ทําให้การงานเป็นต้นของเราเสียลงเลยนะนะไม่ได้ทําให้เสียศักดิ์ศรีเสียอะไรเป็นต้นเลยตรงงานข้ามถ้าเรามีเมตตาเท่าใดเนี่ยนะปัญญาก็จะฉลาดขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเมตตาก็นับว่าเป็นสมาธิอย่างหนึ่งก็จะทําให้เรามีปัญญามองเห็นอัดมองเห็นธรรม มองเห็นกรรมและผลของกรรมในขณะนั้นๆได้มันการคิดถึงคนอื่นด้วยเมตตาเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วคนเนี่ยนะถ้าหากว่าเรารู้ว่าคนอื่นเขาคิดถึงเราด้วยเมตตาเนีย่ยนะถ้าเกิดแวบรู้ว่าเออเขาคิดถึงเราด้วยเมตตาเราก็จะมีเมตากับคนอื่นเพราะฉะถ้าเราปรารถนาที่จะให้คนอื่นมีเมตากับเราเท่าใดเราจําเป็นต้องมีเมตากับผู้อื่นเท่านั้นเนี่ยนะ ทีนีส่วนสารานิยธรรมข้อที่สี่ก็คือการแบ่งปันลาบที่ที่หามาได้ น, นะพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรมหมายคำว่าเกิดได้ลาบสการะได้ปัจจัยสี่เช่นอาหารเป็นต้นมาเนี่ยนะได้อาหารที่ได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นลาบสักว่าอาหารเนื่องในบาทจะเป็นจีวรหรืออาหารหรือยาทั้งหลายก็ทั้งเถอะ ก็ไม่บริโภคเกียรติกันไว้เพื่อตนก็ไม่ใช่แอบงุบงิบกินคนเดียวเนี่ยนะพอได้ลาบขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่างุบงิบเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวบริโภคโดยเป็นสาธารณะกับเพื่อนสัพพมจารีผู้มีสีนตรงนี้เน้นพิเศษกับผู้มีสินคือของของตนแต่ถือว่าเป็นสาธารณะกับผู้มีศินก็ถือว่าของของเราคือของผู้มีศิน แต่ไม่ได้ของคนอื่นคือของเราไม่ได้คิดแบบนี้นะแต่ของเราอ่ะเท่ากับเป็นของคนอื่นพร้อมที่จะให้คนอื่นใช้สอยแต่ตรงนี้ไม่ได้ว่าส า, สารานยธรรมคือการใช้สอยคนอื่นตามใจตนไม่ใช่แบบนั้นหมายเขาให้สามารถให้คนอื่นใช้สอยของตนตามความปรารถนาของผู้อื่นเนี่ยนะเรียกว่าแต่ว่าเน้นพิเศษก็คือผู้มีศีลทั้งหลายพันการที่มีของแล้วสาธารณโภคีเนี่ยนะ คือบริโภคโดยเป็นสาธารณะไม่รังเกียจเดียดฉันต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นร่วมใช้สอยเป็นต้นธรรมะแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงการทําความรักกันทําความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันเียกว่าแจกจ่ายแบ่งปันลาบที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยน ะ, ะเขาบอกว่าผู้ที่แบ่ ง, บงปันเนี่ยนะแบ่งปันนั้น หรือคนที่แบ่งปันเนี่ยที่เกียรติกันอาหารเอาไว้เนี่ยนะท่านมาบอกท่านอธิบายว่าการแจกจ่ายเนี่ยแจกจ่ายอามิดกับแจกจ่ายบุคคลกล่าวว่าการแบ่งจ่ายเนี่ยนะการแบ่งจ่ายบางคนเนี่ยแบ่งจ่ายว่าเออเราจะให้เท่านี้เราจะไม่ให้เท่านี้เราแบ่งจ่ายอามิตรถ้าแบ่งจ่ายบุคคลว่าเราจะให้คนนี้เราจะให้คนนั้นเราจะไม่ให้คนโน้นเนี่ยนะกล่าวว่าเจาะจงของที่จะให้กับเจาะจง ส่วนผู้ที่ทําสาธารณโภคีไม่คํานึงถึงสองอย่างไม่คํานึงว่าเราจะให้แค่ไหนเขารับได้หมดก็ให้หมดนั่นแหละแล้วก็ผู้ใดสามารถรับได้ก็ให้แก่ผู้นั้นคือไม่จํากัดอามิดกับไม่จํากัดบุคลคลเรียกว่า แจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไปเนี่ยนะแต่การแจกจ่ายเหล่านี้ก็ต้องพระภิกษุทั้งหลายก็ต้องสังวรให้ดีว่าไม่ใช่แบ่งปันลาบไปให้ส ก, กาให้แก่เครือหัดทั้งหลายเพื่อต่อลาบวันนี้เราให้เขาเดี๋ยวนหลังเขาจะมาให้เราคืนเป็นต้นเนี่ยนะอย่าไปทำอย่างนั้น อันนี้นี่ผิดธรรมผิดวินัยเลยนะว่าถ้าให้แก่เขานะเดี๋ยววันหลังเขาจะคิดถึงเราแล้วเขาจะให้เราคืนเคารว่าเหมือนไปโตรยเหยื่อไว้กับพวกกลุ่มคารว์ทั้งหลายถ้าอย่างนี้ผิดธรรมแน่นอนแต่ น, นี้หมายถึงว่าทํากับสง์ทั้งหลายทีนี้คาระวะทั้งหลายก็ควรมนานสิการเหมือนกันว่าสงหรือพระพิสูทั้งหลายให้ของของเราเนี่ยนะอันนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันว่าของนั้นเป็นของสงหรือไม่ หรือเป็นของส่วนตัวเป็นของที่ท่านสามารถให้ได้จริงหรือว่าให้ได้ไม่จริงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยนะฉนั้นไม่ใช่ว่ า, านางหลักที่สุดเราก็กลายเป็นใกล้ชิดบุคคลแล้วก็ห่างพระพุทธศาสนาไปเลยก็มีพระพิสูุน์เนี่ยที่แบ่งตันลาบไปให้ของตนให้แก่เครือขัดเป็นต้นโดยมุ่งสแสวงหาราบเนะเก็บไว้ให้โยมคนนี้เก็บไว้ให้โยมคนนั้นเป็นต้นเพื่อที่เ จะได้มีสัมพันธ์ธรรมอยตรีส่วนตัวเป็นต้นเนี่นะเป็นการดึงเขาเหล่านั้นออกจากพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นบุคคลอนะเป็นของพระรูปนั้นเป็นนี้ไป จะไม่ใช่เป็นคนในพระพุทธศาสนาแล้วก็กลายเป็นเรื่องเจาะจงเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ใช่เป็นกิจการของพระศาสนาและทําไปทํามากลายเป็นว่าเอา้าห่างพระศาสนาตั้งแต่เมื่อไหรอยู่กับพระพิสุก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอันนี้เราก็ต้องระวังให้ดีว่าอะไรเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่อย่างนั้นเราก็เผลอไปอีกแล้วเนี่ยนะก็พลาด